ต้องอำลาจากกันพวกเรายังนึกถึงวันที่เราอยู่ข้างเพื่อจบแล้วต่างคนก็ต่าง จะได้พักผ่อนทั้งวันเรียนกันเลย ย, ยาหวงยาหาไหลในทิศจากไปจงจากไปเพื่อชีวิตจงคิดจากไปเพื่อทำดีดก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระทั้ได้และใจก็ดจ